ใ น, นวันวันนี้เป็นวันแรม8ดค่ำเดือน8เข้าพรรษามาเป็นวันพระแรกเป็นวันพระแค่ำแรกวันนี้เพราะนั้นเป็นการสตาร์ทเรือว่าเป็นการเริ่มพวกเราในพรรษาปี2548ัรบแดเพราะนั้พวกเราต้อง อ, อกตั้งใจสมาทานศีล มีสัจจะคือความจริงในใจของพวกเราจะรักษาศีลตลอดไตรมาสสามเดือนจะรักษาศีลห้าก็ได้จะรักษาศีลห้าเฉพาะวันพระแต่ตามไม่จริงโยมวัดเนี่ยมันก็น่าจะมีศีลห้านั้นน่ะดีนะศีลห้าตลอดไตรมาสสามเดือนชาวบ้านของเรา ผู้ที่สูงอายุขึ้นมาหน่อยพอจะละเว้นงดเว้นได้ก็คือสินข้อที่หนึ่งเพราะว่าเป็นอาชีพ ช, ชาวชนบทการทำมาหาเลี้ยงชีพอันนี้คือเป็นสินที่รับสายากที่สุดในชนบทหลวงพ่อเป็นชาวชนบทบ้านนอกรู้ดีแต่ถึงยังไงยุคสมัยนี้ ก็ยังมีทางออกต่างเยอะแยะไปไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะสมัยนี้มีตลาดสมัยก่อนไม่มีตลาดไม่มีทางที่จะออกแต่บัด น, นี้ท่าว่าผู้ที่จะเพอที่จะออกได้ก็มีทางออกการทำมาหารเลี้ยงชีพยอย่างอื่นการกรรรมการทำกรติกรรมอย่างอื่นทำสวนยางขึ้นมาเราก็ใช้น้อยลงไปหน่อยแล้วก็ซื้ออาหารพอยัางชีพ อันนี้หลวงพ่อว่าถ้าเราจะรักษาศีลห้าก็ยังพอเป็นไปได้อยู่ไม่เหมือนตะ ก, ก่อนตะกอนนี่ใครว่าถ้าไม่หาก็ไม่ได้กินลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ว่ามาถึงยุคนี้สมัยนี้การครองชีพก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปพวกเราเือถึงจะอยู่ในชนนบทควรจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองนั้นน่ะให้มีศีลมีธรรมอันนี้แตเป็นวันเข้าพรรษา เราจะรักษาศีลห้าตลอดไตรมาสสามเดือนไม่ได้เหรอเนี่ยอันนี้ก็คือตั้งคำถามตัวเองสำหรับโยมผู้หญิงโยมผู้ชายนะแต่หลวงโยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยท่านไปรักษาศีลแม่ท่านขอร้องนะโยมพ่อของของพ่อเนี่ยแม่ท่านขอร้องในพรรษาในลูกรักษาศีลห้าได้ไหมทุนพ่อยมพ่อก็เลยรับรับปากคราวนั้นอายุกค่เพียง35ปี แต่จะว่าไปแล้วก็อายุยังน้อยมากกำลังหาเลี้ยนครอบครัวลูกชายคนโตก็เพียงอายุ15 16ปีเองอ่ะอายุยังน้อยแต่ก็ปรึกษาในครอบครัวยมแม่ก็ไม่คัดข้องยมพ่อรักษาศีลห้ามาตั้งแต่อายุ35ปีจนถึงอายุ96ปีนะก็ไม่เห็นความ อยากจนล่ำรวยกับเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปก็ไม่เห็นจะจนกว่าเขาแล้วก็ไม่เห็นรวยกว่าเขาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเรื่องศีลธรรมนั้นอยู่ในจิตใจของใครของเราใครมีความสุขเย็นใจยังไงก็อยู่ในใจของแต่ละคนแต่ถ้าว่าถามโยมพ่อว่าโยมพ่อเสียใจไหมที่รักษาศีลมาแต่อายุ35ท่านก็บอกว่าท่านภาคภูมิใจอย่างมาก ที่ท่านได้รั ก, รกษาศีลห้ามาโดยตลอดอันนี้ก็ท่านก็ไม่ได้เสียใจว่าเราเนี่ยโง่เง่าเต่าตุ๋นเสียแล้วถูกหลอกมาเสียแล้วเรารักษาศีลห้ามาแต่น้อยแต่นุ่มถ้าว่าเราไม่รักษาศีลห้ า, เ, าเรากินเหล้าเมายาส ม, มเลยเทมาเม า, ามาเราคงจะมีความสุขกว่านี้ท่านก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นมีแต่ท่านมีความภาคภูมิใจ ที่ท่านได้รักษาศีล ร, รักษาธรรมเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ยกมานะไม่ใช่ว่ายกย่องเชิดชูนโยมพ่อของหลวงพ่อไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ยกเป็นตัวอย่างให้ฟังให้เป็นแนวความคิดข้อนึ่งสำหรับพวกเราที่คลองเรือนที่เป็นครวญญาติโยมเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาศีลห้าอันดับแรกมันก็ต้องได้ฝืนบ้างนะฝืนตัวเอง ฝืนความเป็นอยู่ของตัวเองแต่พอมันเคยชินแล้วมันก็สบายใจนะภาคภูมิใจอีกต่างหากเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะญาตโยมในพรรษานี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะรักษาสิ5ตรอดรไตรมาส3เดือนมากกว่านั้นก็รักษาสิงอุโบสถทุกวันพระ8ค่ำ15คห้าำเดือนหนึ่งมันก็มีเพียง4วันท่านเอง8ค่ำสิบาค่ เดือนหนึ่งก็สี่ครั้ง432เดือนหนึ่งกว่าวัน90 ก, กว่าวันรักษาศีลโวสถเพียง12วันเรายังให้ขาดให้ตกให้หล่นอยู่แสดงว่าเราละหลวมไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรเพราะนั้นให้พวกญาติโยมทุกๆ ท, ท่านนะที่ได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อพูดนี่นำไปคิดไปพิจารณาไตรตรองดูด้วยเหตุผล หลวงพ่อเอาเหตุผลมาพูดนะแล้วก็ให้พวกเราคิดนะติดตามในคำพูดที่หลว ง, งพ่อพูดไปเนะี่ยเพราะนั้นในพรรษานี้ถ้าเป็นไปได้ก่นะอยากจะให้พวกเราทุกท่านมีสินตรอดไตรามาส3มเดือนถ้างดได้จริงจริงถ้างดไปได้เอา้าหยอนลงมาก็คือสุรางดได้บุรีงดได้ เราก็ทำบุญตักบาทเราสรุปแล้วก็คือให้ใส่ใจเป็นพิเศษกว่านอกพรรษาสักหน่อยเพราะงั้นพอนอกพรรษานั้นเราปล่อยปะละลเลยเลยตำเลยมาพอแรงแล้วแต่ในพรรษานี้เราก็ควรจะเข้มงวดขวดขันกับตนเองอย่างน้อยเราเป็นไปได้ไหมทุกวันก่อนที่จะนอนเราไหว้พระก่อนอะระหังสัมมาสัมพุทโธปกะวา สวากาโตสุปฏิปันโนนมโมตัสสะพระเขาว่าตัวรหัโตสมาสัมพุทธะเอ่อจากนั้นก็พูดอะสเปสาตาจดาฮุนตุเอะเวลาสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทางหลายยันได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเอขอเข้าไปเจ้าจงเป็นสุขอย่ากจะให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะเอ่ตนจงเป็นสุขถ้าหาว่าไม่ได้มากกว่านั้นก็อรหังสมาสัมพุโถจากนั้นก็ น, ก น, นมโมตัสสะ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาครหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็ขอข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเพียงแค่นี้ก็เป็นอุบาสกอุบาสิกานะเออเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทางด้านจิตใจก่อนนอนละไหว้พระเพียงแค่นี้แหละตื่นเช้ามากัเราก็ไหวอีกอรหังสัมมาสัมพุทธโท สวากาโตสุปฏิปโนนมโมตัสะนอบน้อมพระพุทธเจ้าถ้ามากกว่านั้นก็นพุทธังอย่างที่เรารับสีน้นพุทธังสรน า, ง า, านังคาฉาไม่ทำมังสังขังดูติยัมติตาติยัมปิพุทธังทำมังสังขังจากนั้นก็ขอเข้าขอขอเข้าไปเจ้าจงเป็นสุ ข, ขอผู้อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาเพียงแค่นี้ก็พอฮะ ตื่นนอนและก่อนนอนไหว้พระทุกครั้งในพรรษานี้ไม่ให้ขาดได้ไหมนะอันนี้ก็คือสัจจะคือความจริงสำหรับตัวเองอันนี้คือบันไดขั้นแรกที่จะเดินก้าวสู่ขั้นสูงขึ้นต่อไปนะแต่ขนาดบันไดขั้นก่อนหลับก่อนนอนยังไม่มีการไหว้พระสวดมนต์แล้วนอนเหมือนหลวงปู่หลวงปู่อ่อนใช่ า, าเวลามันหมามันจะนอน มันยังเดินบนซะก่อนมันยังนอนมันยังมีสติสตังค์มามันจะนอนอย่างไงมันมองอย่างไรไม่นอนแต่คนนอนไม่เป็นอย่างนั้นพอก็ามางายพึ่งเลยงั้นแต่เออไม่รู้อะไรนะพร น, นั้นมันถ้าจะเปรียบเทียบอย่างกลวงปู่อ่อนว่าแต่คนนอนมันร้ายกว่าหมาองนั้นแต่แย่กว่าหมาอย่งนั้นนตะหมามันยังเดินรอบซะก่อนยังค่อยนอนคนเนี่หลับตาล้มตัวลงนอนเลยนี่ วันนั้นเราเป็นชาวพุทธนะพูดทางนี้ทางนั้นก็ให้เป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราทุกๆท่านก่อนหลับนอนไหว้พระแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระงสงค์สกอรยังค่อยหลับค่อยนอนนี่แหละวันนั้นในพรรษานี่ขอยากจะกล่าวเตือนพวกญาติโยมพุทธบริษัททุกๆท่านนี่ยนะให้มีศีลห้าได้ไหมอุมบโบสถได้ไหมให้มีสัจจะกับตนเองที่จะพูดตั้งแต่เบื้องตน้น เมื่อเราทําคุณงามความดีตลอดไตรมาสสมเดือนไม่ขาดตกบกพร่องสมบูรณ์บริบูรณ์นะออกพรรษาแล้วเราก็รับหลังวันอะไรตัวนีออ้ผู้ข้าได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในพรรษาที่ผ่านมาผู้ข้าไม่ได้ขาดตกบกพร่องเป็นไปด้วยความด้วยสัจจะคือความจริงด้วยสัจจะจริงใจอันนี้ขอให้ข้าพเจ้า มีอะไรให้มีความสุขยังไงแหมก็ปรารถนาเอาสิเท่นี่นะแหมความมุ่งมา่นปรารถนานั้นก็จะสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาที่เราได้ทําคุณงามความดีเอาไว้นะแต่ข้อสาคัญจะไปค้ากาไรเกินควรก็แล้วกันนะทําลงทุนเพียงบาทสองบาทนูน่นอยากจะได้ปรารถนาอยากจะได้ลดเบ้นรถเก่งหลักฐานต้องหลายสิบปั้นก็ไม่ได้ด้อันนั้นไปนว่า ค้ากำไรเกินควรถ้าสิ่งไหนที่มันจะเป็นไปได้ตามที่เราได้ทำเอาไว้ความปรารถนานันก็จะสำเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาะฉะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านนะญาติโยมทุกคนนะควรประกอบคุณงามความดีควรสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราอย่าประมาทนะปีนี้พระจำมันสาที่วัดหลวงพ่อทั้งหมด ที่อธิษฐานพรรษามี28องค์อีก3องค์นั่นก็คงจะลาสิขาในพรรษาเพราะว่าได้ตั้งจิตไว้แล้วแต่ข้างนอกว่าเป็นการลาบวโชโฉคราวนะไปนั้นพระปีนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็น้อยแล้วก็น้อยทุกวัดด้วยที่เขตอำเภอนายูงตะกอนร้อยกว่ารูปนะ อำเภอตเกตอําเภอนายูปีนี้เพียงเจสิกว่าองค์เจเจเจดิกว่ารูปนะแต่ขานาดวัดหลวงพ่อกับป่าเข้าไปแล้ว30กว่าแล้วเออเาคงจะจดเอาทั้ง30 3สวบาพงั้นแห ะ, ะวัดอื่นๆล่ะรู้สึกว่าพระปีนี้ไม่ค่อยมากแล้วก็ทั่วประเทศด้วยน ะ, ะพระปีนี้รู้สึกว่าบวชพันว ก, กาไม่ค่อย ไม่บวชกันมากแต่หลวงพ่อกว่าดีเหมือนกันนะมันจะไม่ได้แย่งอาชีพของหลวงพอ่อเพนั้นใครไม่ตั้งใจอย่าบวชถ้าตั้งใจก็ต้องบวชตั้งใจให้ดีตัดจริงๆริงตัดโลกวัดสงสารจริง ๆ, จ ร, งๆจริงจะบวชไม่ใช่บวชทําตัวไม่ดีมาบวชอย่าบวชบวชให้เสียสาศาสนาเอหลวงพ่อว่าอย่างนั้นแ่ะ วันนี้พระทั้งหมดของเรา30รูปมาฉันลงมาฉัน24ี่รูปขาดไปหรูปวันนี้ใน ม, มาฉันหันอดอาหารภาวนาเพราะนั้นพธเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้เป็นวันพระตกตอนเย็นก็คงจะมีการไหว้พระสวดมนต์ตามปกติอย่างที่เคยปฏิบัติกันมาแต่ใน ตั้งแต่เข้าพรรษามาก่อนเข้าพรรษารู้สึกว่าหลวงพ่อก็มีธุระยุ่งเหยิงวุ่นวายพอสมควรในปีนี้มีทั้งงานศพหลวงปู่เหรียญบัต ง, งานศพของโยมอุดรบัต ง, งานศพหลวงปู่วัดบ้านกิต ด, ด้วยเข้าพรรษาด้วยโอ้ปีนี้รู้สึกว่ามาลุมมาตุ้มพอสมควรแต่บัดนี้เขาผ่านไปแล้วละนะตอนนี้องไปคิดว่าหลวงพ่อกับคงจะอบรม พระเนนพระที่เข้ามาบวชก็คงจะได้พูดได้สนทนาการพอสมควรพอมาบวชทั้งทีก็ควรจะให้ได้รับความรู้ความฉลาดเอาเออกไปใช้ในชีวิตประจำวันของทางโลกให้นำมาศึกษามาศึกษาด้วยประหยัดด้วยปฏิบัติด้วยไปพร้อมๆกันนั่นแหละสำหรับศรัทธาญาติโยมก็น่่นะให้ตั้งอกตั้งใจ พอหลวงพ่อสอนมามากต่อมากสอนมานานต่อนานแล้วพวกเราเป็นยังไงที่ได้รับการอบรมทีไ่ได้รับการแนะนําสั่งสอนมาเป็นเวลานานนั้นพวกเราได้ทบทวนดูบ้างหรือเปล่าว่าพวกเราจิตใจของเราเก้าวหน้ามากน้อยอย่างไงแค่ไหนหรือว่าทํำยังไงก็อย่างเก่าเนี่ยไม่ได้สนใจเท่าที่ควรอันนี้ให้พวกเราได้คิดนะทบทวนดูนะมันดีขึ้นหรือเปล่าที่ได้รับธรรมะ จากวัดวาศาสานาจากครูบาอาจารย์ไปเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่ามันถูกต้องไหมมีเหตุผลไหมที่เรามาศึกษาหรือว่าเรามาศึกษาแบบโง่งมงายลุ่มหลงงมงายอย่างนั้นใช่ไหมอหมธรรมะเนี่ยเป็นของงมงายใช่ไหมหรือเป็นของจริงเราได้คิดบ้างหรือเปล่า เ, เพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านเป็นสัจจะคือของจริงมาแล้วถึง 2,500 ักว่าปี เพราะนั้นพวกเรามาทำระระเลยแหละทำเล่นๆมันก็ไม่เข้ากันเข้ากันไม่ได้ว่างั้นแถอะไอ้เพราะนั้นพวกเราให้จริงจังขึ้นมาพอสมควรเดี๋ยวนี้อายุของเราเท่าไหร่เนเราจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ไม่มีใครจะรู้รู้แต่ว่าอายุของข้าพเจ้า5 0าส70ปีแล้วแต่ไปข้างหน้าเนี่ยอายุของข้าพเจ้าจะมีกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ไม่มีใครคํานวณได้เพราะนั้น ข้างหน้าเนี่ยเราอยู่เป็นวันวันวันนี้อกตื่นขึ้นมาอกไม่ตายแต่วันอีกขยับไปทางหน้าไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเราหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดได้อยู่เสมอจึงเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับน้ําค้างใบบัวเนี่ยพร้งพ่ทั้เจ้าเปรียบเทียบเรามาพิจารณาดูดูซิมันจริงหรือเปล่าน้ําค้างใบบัวเป็นยังไง มันกลิ่งไปกลิ่งมากลิ่งมากลิ่งไปลมพัดมันก็กลิ่งใบใบบัวเอียงก็กลิ่งไปอ้าวเหมือนจะตกแต่มันก็กลับขึ้นมาฝนี่สูงอีสวรลหนึ่งมันก็ตกไปจริงๆกลิ่งตกจากใบบัวจริงๆชีวิตของเราก็เช่นนั้นแหละมันยืมอยู่เป็นวันๆท่านเองเพราะฉะนั้นพวกเราจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาปล่อยจิตปล่อยใจไปมากมันก็ไม่ถูกเหมือ น, อนกันนะหลวงพ่อไงพวกเรา ควรจะสํานึกสําเนียกว่าอยู่เสมอชีวิตของเราเนี่ยเป็นของที่ไม่ถาวรไม่รู้ว่าเราจะจากไปเมื่อไรวันไหนเดือนปีไหนพวกเราไม่รู้รู้แต่ที่ผ่านมาแต่อนาคตเนี่ยไม่มีใครรู้เพราะนั้นสิ่งที่อนาคตที่ไม่รู้นี่แหละอะ่อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเราจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินปล่อยจิตปล่อยใจจนเกินไปจนไม่รู้จักสร้างคุณงามความดีมันก็ไม่ถูกนะ การส่องแสวงหาทรัพย์มันก็ใช่ก็ถูกไม่ว่ากันแต่ว่าเราจะเพิดเพลินในการส่องแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวว่าอันนี้คือทางถูกต้องแล้วไม่ได้มองศีลและธรรมเข้าสู่จิตใจนั้นอันนั้นไม่ถูกมันต้องไปด้วยกันทั้ง2 อ, อย่างอาหารกายนี่คือการส่องแสวงหาทรัพย์อาหารใจก็คือธรรมะปฏิบัติมารักษาศีลภาวนาอย่างนี้อย่าได้ขาดอย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นอะ สเดือนเนี่ยสิวันเนี่ยเราทําไม่ได้เลยอ๋อเราสอบแสวงหาทรัพย์นอกจากนั้นไปนะตั้ง90กว่าวันนะเออเกกว่าวันเราเพียง12วันมันจะขาดทุนจูนทรัพย์ย่อยยับผลปี้ขนาดนั้นเหลอสิ่งเหล่านี้อย่าให้กิเลสเข้ามาขยําจนเกินไปอย่านําจะเอากิเลสคือความเห็นแก่ตัวความหลงผิดหเห็นมักความมักง่ายจนเกินไปเราควรจะส้ำเนียกส้ำนึกไว้อยู่เสมอ ความฆาพเจ้าเนี่ยควรจะสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจควรจะสะสมบุญเข้าสู่จิตใจคือให้ทานรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นนั่นแหละอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปนะให้สำเหนียกสำนึกไปอยู่เสมอพิจารณาไว้อยู่เสมอเบื้องต้นก็คือศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยมีศีลห้าจากนั้นก็ ไหว้พระสวดมนต์จากนั้นก็เข้ามานั่งภาวนานั่งภาวนาเนี่ยนะอย่าได้ขาดคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไปอยู่เถียงนาคนเดียวเราไปอยู่เฝ้าบัวเฝ้าควายผูกมัดไว้แล้วกะเราก็มานั่งภาวนาอยู่โคนต้นไม้หรือเถียงนาคนเดียวเงียบเงียบนึกกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธ ได้ทั้งนั้นแหละมันได้เลือกการสถานที่นะเวลาเราจะตายเราก็ไม่ได้เลือกประธานที่ไหนอมเราจะตายในที่นอนแห่งเดียวมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะอตายในที่ไหนก็ได้ทั้งหมดตกน้ําตายก็มีเอไหลตายก็มีตกเถียงตายก็มีตกรถตายก็มีมันตายไปดึกได้ทุกแห่งทุกผนเพราะนั้นเวลาเราจะไปภาวนาจะไปนอนภาวนานั่งภาวนาอยู่ที่เ <c oughs> บาะที่ฟูกอย่างเดียวมันไม่ถูกกว่างั้นเถอะเรานั่ง ได้ภาวนาได้ทุกแห่งทุกหนนะอันนี้ก็คือการนั่งภาวนาจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้อริยาบอริยบทสยืนเดินนั่งนอนเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทุกท่านนะให้มีสติอยู่กับตัวเองการมีสตินั่นแหละคือการภาวนาถ้าขาดสติแล้วถึงจะนั่งภาวนาทำท่านั่งใจคิดไปทางอื่นมันก็ไม่จัดภาวนาเลยคิดปุ่มฟุ้งส่งนว้เ ง, ง้ จิตไม่อยู่กับตุกับเนื้อกับตัวอันนั้นแปลว่าไม่ใช่ภาวนาฮะแต่ภาวนาแล้วถึงจะทํำท่าไม่ทําท่านั่งก็ตามแต่มีสติการเคลื่อนไหวของตัวของเราใจเราคิดเรื่องอะไรกายของเราเคลื่อนไหวยังไงอันนี้แหละคือวิธีการภาวนาหลักการมันอยู่จุดนี้นะแต่ว่าการนั่งภาวนาเนี่ยคือเป็นจิตจะลักษณะมันก็ดีแต่ทำไม่ทําอย่างนั้นถ้าทําอย่างนี้เกินไปเอกไปมาเมื่อ็เลย หลุมเอเลือนลางไม่เป็นจิตจะลักษณะผลที่สู่ก็เลยอะไรก็ได้เออก็เลยเลยตามเลยกิเลสมันก็ยิ่งขี่คอเราอยู่แล้วนะมันก็ยิ่งพาทะเลทราไปใหญ่อีกมันก็ไม่หนีจากจุดนี้อีกละเพราะนั้นถ้าจุดนี้ก็ควรจะทำนะถึงจะไม่อยู่กับตัวพยายามบังคับให้อยู่ต่อไปต่อมาแล้ได้ทั้งสองอย่าง thế, อยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็มีสติ อยู่กับตัวเองนั่นแหละเทเน่เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นผู้มุ่งมั่นในอัดในธรรมละทนจิตใจก็จะได้รับความเย็นอกเย็นใจมีความพาสุขสุขลึกๆในจิตใจว่างั้นะเพราะนั้นเรื่องสมาธิเนะี่ยควรจะฝึกไว้นะการฝึกสมาธิเนี่ยเป็นหลักของใจใจที่ฝึกหัดด้วยสมาธิไปที่ไหนมีแต่ความเป็นสุขในใจ เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกท่านจะอยู่ในโคลนต้นไม้ท่านเดยวอยู่ในที่ไหนใจของท่านมีหลักเป็นพระอรหันต์เป็นอริยะเจ้าแล้วนะท่านก็จะบ่นในใจสุขหนอสุขหนอถึงจะอยู่ในฐานสถานที่ใดท่านก็มีความสุขท่านไม่เดือดไม่ร้อนกับสิ่งภายนอกอะไรทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะใจท่านมีความสุขเพราะนั้นพวกเราถึงจะอยู่ในห้องแอร์ถึงจะ อยู่ในที่สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาจิตใจของเราก็หอ่หอเหี่ยวอับเฉาเศร้าซึมอยู่อย่างนั้นอถึงจะอยู่ในหมู่ญาติสนุกสนานเฮฮาก็เฮฮาไปตามเขาพอละหายจากหัวเราะแล้วก็ซึมเศร้าอยู่ในใจลักษณะอย่างนั้นแปลว่ามันความทุกข์นั้นมันอยู่ในลึกๆของหัวใจเพราะนั้นเราควรจะเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจส่วนลึกๆนั่นแหละให้นึกพุโทโธพุโทโธปล่อยวางอารมณ์ต่างๆ อย่าให้เขามาสู่จิตใจของพวกเราสิ่งที่มันไม่ไดีปล่อยออกไปเคลียร์ออกไปเออเอาธรรมะเข้ามาอยู่ในจิตใจให้ให้ใจเป็นปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนธรรมให้มีธรรมอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่มันไม่ไดีเอาออกให้มีพุทโธอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นถ้าเราทําได้อย่างนี้จิตใจมีหลักอย่างนี้จิตใจของเราจะร่มเย็นเป็นสุข ไปในสถานที่ใดก็มีความสุขเมื่อเฒ่าแก่ชราไปภายภาคหน้านะพวกเราคิดว่าแล้วพวกเราจะแก่ไหมไอ้พวกที่แก่ก็ไม่ว่ากันละไอ้พวกที่ยังหนุ่มนะ่ยคิดว่าตัวเองจะแก่ไหมต้องแก่แน่นอนนะในเมื่อแก่ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงเห็นคนแก่หมดสภาพเลยแหมพอหมดสภาพเป็นยังไงคนแก่หมดสภาพพวกไม่มีหลักใจเอมกับจมพุมภูมิพำพำบุบบอมบอมๆไปเออทําอะไรก็ไม่เหมือนไม่ได้อย่างใจ ผลนิสูรก็คิดถึงหนุกคิดถึงหลานคิดคุณทูนั้นคุนี้อไปมาอยากจะร้องไห่ก็ร้องไห้อยากจะหัวเราะก็หัวเราะผลนิสูรก็นั่นแหละเป็นยังไงทีนี้นิสัยซึมเศร้าอจะเข้ามาใกล้ง่ายๆสําสหรับผู้ขาดธรรมะถ้าว่าผู้มีธรรมะในจิตใจแล้วนิสัยซึมเศร้าจะไม่มีเบิกบานอยู่เสมอใน จ, ใจิตใจเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทําของเรา ถ้าเราทําชั่วแล้วใครจะทําให้แก่เราได้ถ้าเราทําดีใครจะทําให้แก่เราได้เราเป็นผู้ทําเองทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วเพราะฉนั้นเราต้องเลือกทำสิจะไปทไําไหมทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็รู้จักรู้อยู่แล้วว่ามันจะเดือดร้อนว่ามันจะเผาผ่านเมื่อตัวเองเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นทําแต่กรรมดีสั่งสมแต่บุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเพราะนั้นพวกเราแเมื่อเท่าแก่ชลา เข้าไปหายใจเฮือกสุดท้ายก็มีแต่ความเย็นอกเย็นใจนั่นแหละแต่หากว่าพวกเราทําสิ่งที่มันไม่ดีไว้เนี่ย เ, เดี๋ยวมันก็โผล่เข้ามาเดีวก็โผล่เข้ามาเป็นครั้งเป็นคราวเป็นครั้งเป็นคราวเป็นครั้งเป็นคราวอยู่นั้นแ่ะเนีความชั่วนะมันจะโผล่เข้ามาถ้าว่าเราแต่ทาแต่คุณงามความดีมีแต่ความดีโผล่เข้ามาคิดมาขึ้นมาเวลาใดใจก็สบายใจมีความสุข มันตรงมันตรงกันข้ามกับการทำความชั่วนะเพราะนั้นพวกเราให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเมื่อเท่าเก่ชลามาเราก็จะมีหลักยึดทางด้านจิตใจของพวกเราเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่มาวันนี้ก็มาหาหลักให้เจ่จิตใจนะะั่นแหะมาให้ทานรักษาศีลแล้วก็ให้ภาวนานะวันนี้ให้ภาวนากลางวันบางว่าให้ภาวนา แต่ว่าพอจะช่วยเหลือวัดคูบาอันไหนได้เอาทําทานยังกรมช่วยคูบาบ้างนานๆพวกเราได้มารักษาศินให้พวกคูบาบางทีก็ทําไม่ได้เน๊ให้รู้จักให้พวกเรามาวัดนานๆให้รู้จักวินัยของพระพระในขุดดินตัดไม้ไม่ได้ผิดศินของท่านไอ้พราะนั้นท่านอยากจะอื้อทำทานยังกรมไม่น่อยนะยมพวกเราก็ไปทําให้ท่านเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเรานะ เป็นมักเป็นผลเกิดมาพบรายชาติใดได้ทําถนนหนทางทำทำดังเดินโยกรมให้แก่ท่านนั้นเกิดมาพบรายชาติใดจะเป็นผู้ไม่หลงทางไม่หลงผิดเป็นถูกไม่หลงหลงถูกเป็นผิดอย่างนั้นแอบเห็นแต่ความผิดก็คือความผิดความถูกก็คือความถูกเป็นสมาธิฐอยู่ตลอดแง่อพอได้ทําทางให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านได้ภาวนาปฏิบัติของท่านลุนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแหละทานออกคิดไปในทางที่ดี แต่เกิดโขี้เกียจขี้คันมาแล้วก็ น, นอนปือ้อปื้อทั้งวันก็ไม่ได้อะไรเลยถ้าภาวานานก็ดีถ้ามานอนเฉยเฉยเหมือนกับหมูป่าลุงพอมานอนอยู่ในวัดไม่ได้อย่างนั้นถึงจะมานอนเท่าไหร่ก็คือหมูป่าเอ า, อางั้นเถอะอ่นี่ยก็ยังดีวะ่ะลุงป่าหมูป่าครูบายังเอาอาหารข้าวเศษบาตไปเลี้ยงมันทุกวันทุกวันแต่ก็กินก็ไม่อิ่มรอกวะ เนี่ยถึงจะไปอี่มก็อ้วนนี่ยนะลระหมูป่าหลวงพ่อเนี่ยเต็มไปหมดนเลยนะกำลังมากขึ้นมาอีก ล, ะล่ะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้พรเป็นสิริมงคลนะเจนีน่า